โตน้อยเรื่อยๆได้ศึกษาเรื่องเส้นทางเส้นทางใจเส้นทางธรรมของเร า, ามันเดินไปอย่างไรทันี้เพื่อให้เราได้มีความเข้าใจถึงกระบวนการของจิตที่มันดําเนินไปโดยอาศัยวิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้เขาเดินไปอย่างไร ในแต่ละเวลานาทีซึ่งในการเดินทางของจิตของอารมณ์ต่างๆนี่เราต้องการให้มีผู้ติดตามผู้คอยเฝ้าดูเหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนี่แล้วก็คอยเฝ้าดูติดตามต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้เติบโตและปลอดภัย ชิ้ใจเราก็เหมือนกันที่มันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยติดตามเฝ้าดูศึกษาเรียนรู้ถึงนิสัยใจของเขาเนี่เราก็ใช้เขาถูกบางผิดบางใช้ในส่วนที่มันผิดเราก็เดือดร้อนในส่วนที่มันถูกเราก็พอได้สบายนั่นเองในการค้นพบผู้ <c oughs> ผู้ติดตามผู้เฝ้าดูเนี่ย เราได้เรียนรู้จากความรู้ของพระสมาสัมพุทธเจา้าท่านได้ค้นพบจุดนี้เรียกว่าพุทธภาวะมันมีหลายชื่อนะพุทธภาวะบางปัญญาจักสุบางธรรมาจักสุบางหรือสมระจักสุบางหรือตาในเราแด้จะเรียกนะซึ่งถ้าเรา ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยตัวตาในตัวนี้ก็สามารถจะดูแลและคุ้มครองชีวิตของเราได้ตลอดซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีระบบระเบียบในการศึกษาอย่างเป็นขบวนไม่ไม่ได้ศึกษาอย่างสเปสสปัดและนนในวิธีการอุปเทียนเนี่ยท่านเริ่มต้นจากสภาวะที่เป็นจริงเฉพาะหน้า แต่ละขณะขณะเนี่ยเป็นตัวตั้งโดยที่ไม่ไปสืบสาวเอาส่วนที่เป็นอดีตอนาคตที่มันยังผ่านไปแล้วที่ยังไม่มาเนี่ยเพราะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดดับทีละขณะทีละขณะมันไม่ใช่ว่าเกิดแล้วก็เติบโตเหมือนวัตถุนะมันเป็นขณะดังนั้นเองขณะ ห, หนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเป็นไปอย่างไรนะก็ดูสิ่งแวดแล้อมของตัวประกอบที่เข้าไปทําให้การเกิดดับนั้นมีความหมายอย่างไรซึ่งพระองค์ได้ค้นพบถึงเรื่องจุตูปปาฏิยานว่าการดับการจุติและการอุบัตินะการเกิดเอาจุติก็อุบัติอุบอกวเป็นจุตูปปาฏิยานยานรู้ถึงภาวะที่การเกิดและการดับ <c oughs> ซึ่งมันก็สอดคล้องกับระบบทางวัตถุวัตถุทุกอย่างมันมีการเกิดดับในตัวมันตละเวลาทั้งที่เป็นวัตถุละเอียดและวัตถุยาววัตถุยาวการเกิดดับของวัตถุยาวก็จะเห็นยากหน่อยแต่การเกิดดับของวัตถุที่ละเอียดก็จะเห็นเร็วขึ้นจนมาถึงสภาวะที่เป็นนามธรรมาก็มีการเกิดดับถึงการเกิดดับของจิตนะ ซึ่งการเกิดดับที่สลับกันไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เข า, เขาได้ค้นพบแล้วนามาใช้ในแง่ของ <c oughs> ประยุกต์ใช้ในแง่ของความเป็นจริงดังนั้นเวลาเราจเจริญสติเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาอยู่กับที่การเกิดดับเฉพาะหน้าเนี่ยว่า <c oughs> อะไรกําลังเกิดขึ้นอะไรกําลังตั้งอยู่อะไรกําลังดับไป เฝ้าดูอยู่แค่เนี้ยไปเรื่อย ๆ, ๆซึ่งสิ่งที่มันเกิดมันดับทั้งที่เป็นวัตถุ ก, กดีทั้งนามธรรมก็ดีนะก็ไปอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงต้องอย่เนะคือการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจังนะการเปลี่ยนแปลงนี่ก็นำไปสู่ความสิ้นสลายหายไปเรียกว่าทุกข์อนัตตาเป็นอยู่อย่างเนี้ย ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่รู้กฎการหรือขบวนการอันนี้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกแล้วก็ไหลาตามมันด้วยความไม่รู้ที่เรียกว่าสัญชาตญาณ <c oughs> ซึ่งทุกคนตัวตนสัตว์เป็นอย่างนี้หมดนะนั้นนเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติพรนะพุทธเจ้าท่านที่ดานได้กำหนดรู้ได้ตรัสรู้โดยใช้หลักของอริยสัจมาเป็นตัวกาหนด แล้วรายละเอียดต่างๆกําหนดไว้ในมักมีองแปดนะแต่กําหนดไว้เป็นหลักคร่าวๆอยู่ในหลักของอริยสัจที่ท่านคนพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับเนี่ยล้วนแต่ว่ามันเป็นผลออกมามันเป็นทุกข์ความความเยี่ต้องเสื่อมแตกดับไปเกิดขึ้นมาแตกดับไปเกิดขึ้นมาอยู่อย่างนั้นตลอดนะัเป็นกฎ ว่พระพุทธเจ้าจะแต่สรู้หรือไม่แต่สรู้ก็ตามพุทธเจ้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์อันนี้มันมีอยู่มาตั้งแต่กเกิดวัตถุขึ้น ม, มากฎอันนี้ก็เกิดขึ้นที่ไหนก็มีวัตถุที่ไหนมีวัตถุที่นั้นก็จะต้องมีกฎของการเปลี่ยนแปลงแตกดับอยู่เมื่อเรามา <c oughs> <c oughs> ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็จะต้องนํามาใช้เพราะว่าเราตกเป็นทาตุของความไม่รู้ขบวนการอันนี้เรื่อง อ, อวิชชา เมื่อตกเป็นท่านของความไม่รู้ขบวนการอันนี้เราก็จะได้รับผลคือความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่เป็นประจําถ้าหากมันสั่งสมกันมากผลมันก็แรงถ้าสั่งสมมันน้อยผลมันก็ไม่แรง <c oughs> ยิ่งเราไม่รู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสั่งสมความรุนแรงของความทุกข์มากขึ้นเท่านั้ น, นก็ทําให้เราต้องอสแสวงหาทางออก และก็สัตว์มนุษย์ประเภทเดียวที่นั้นที่สามารถทําได้และสัตว์มนุษย์ประเภทเดียวนี้ก็ต้องจํากัดลงไปดยวยต้องสัตว์มนุษย์ที่มีศรัทธาและมีปัญญาเท่านั้นที่จะมาค้นพบกฎอันนี้ได้ดังนั้นเบื้องต้นเราก็ถึงพ่อปูนระบบศรัทธาให้เกิดขึ้นเข้ามาพัฒนาเข้ามาเป็นระบบศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมแต่างๆเพื่อจะกระตุ้นให้มนุษย์เนี่ยมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะ ทีนี้พอมาในวิธีการอันนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ยังสับสนอีกเยอะเพราะว่ามีผู้เสนอทฤษฎีในการใช้ศึกษาเรื่องการเกิดดับของรูปของนามเนี่ยได้หลายที่ฎีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิธีทั้งสมถะก็มีหลายรูปแบบเป็นรอยร้อยรูปแบบและแล้วก็มาศึกษาหลักของวิปัสสนาก็มีอีกหลายรูปแบบ ดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็เลยมาศึกษารูปแบบรูปแบบหนึ่งที่หลังจากที่รได้ผ่านหลายๆรูปแบบมาแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดความมั่นใจไม่เกิดความาชัดเจนในรูปแบบที่เราผ่านมาจนมาถึงรูปแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบสุดท้ายในการแสวงหาของเรา <c oughs> ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสะดวกง่ายดายเท่าใดในรูปแบบนี้แต่อาศัยว่าเรามีโอกาสได้พิสูจน์ ได้ทดสอบโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากนักโดยเฉพาะในวิธีการหลงพ่เทียนครูอาจารย์ที่สอนยพยายามที่จะไม่กําหนดกฎเกณฑ์อะไรให้ตายตัวนะให้เราเคารพในสติปัญญาของมนุษย์ทุกคนที่เปิดโอกาสให้สแสวงหาโดยอิสระดังนั้นเองโดยวิธีการปฏิบัติที่แท้แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีพิธีนิตรองอะไรเลยการสมาทานศีลกันก ทำบัญญัติกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนะี่ยแทบจะไม่มีแต่ขอให้ถ้าจะมีก็เพียงแต่ให้เราได้มีเวลาได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่จะติดตามเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวการเกิดดับของกายใจเนี่ยให้เห็นชัดๆเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะไปนะให้ดูหลายๆรอบนะสมมติว่า จิตของเราก็ดีกายก็เราก็ดีที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขพยายามดูซ้ําๆที่มันเกิดเช่นเราเกิดปวดแต่ละครั้งเนี่ยสมัยที่เรายังไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติโดยการเจริญสติแบบนี้แล้วก็การเจ็บปวดเป็นทุกข์เหล่านี้มันก็ผ่านไปผ่านไปเกิดแล้วใหมซ่ซ้ำซากอย่เงี้ยแต่เดีเราเกิดจนถึงปัจจุบันนับไม่ท้วนว่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่เ ร, เราเกิดทุกเวทนาทุกครั้ง แต่การที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมพันธ์กับความทุกขเวทนาต่างๆเนี่ยด้วยความไม่เข้าใจเราก็ไปคิดว่าเรากับทุกเป็นอันเดียวกันหั่นนั้นชีวิตของเราก็เลยจะต้องดินดน้นรนขวัญขวายที่จะหนีจากมันหรือที่จะต่อต้านมันที่จะไม่ยอมรับความจริงของมันมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปอีกนะ เราก็ต่างก็สแสวงหาในทางสุขคือทางที่ไม่ไม่ไม่ไมไมเผชิญกับทุกข์ไปเรื่อยๆยิ่งสแสวงหาก็ยิ่งไม่ไม่พ้นในที่สุดเมื่อเรารพบท่านผู้รู้ท่านผู้รบอกว่าไม่ต้องหนีต้องหันหน้าเผชิญสู้เลยสู้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เราก็จะไม่วิ่งหนีต่อไป เนี่ยมื่อเรากลัวผีเราก็จะวิ่งหนีอย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าวันนี้มาถึงวันนี้เราไม่กลัวผีเนะเพราะอำนาจของอทำให้เกิดทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งลึกลับว่ามันทุกข์ไม่รู่มันมาจากไหนจูจๆมันก็ทำให้เราไม่สบายกายจู่ๆก็ทำให้เราไม่สบายใจเหมือนไม่มีที่ไปที่มาแต่เมื่อเราก็เชิญหน้าเริ่มศึกษามันอ๋อมันมีที่มาที่ไปทุกอย่างมีเหตุ นั่นผู้ีเจ้าท่านได้พบกฎเกณฑ์อันนี้ครั้งแรกท่านก็อุทานเลยนะยธาหาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายโยกรรมรส า, าทัสกังขาวประยันติสภาประชาาตหิตุธรรมะนะเมื่อใดออทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมือ่อใดนักปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติผู้เพียรเพ่งอยู่ ด้วยสติปัญญาได้มารู้ว่าทำทั้งหลายนี่เกิดแต่เหตุแล้วได้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี่เกิดแต่เหตุว่าร่างกายก็ดีความทุกข์ความสุขของกายก็ดีมันมีเหตุมีที่มาที่ไปความทุกข์ทางด้านจิตใจก็ดีมีเหตุมีที่มาที่ไปสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุสิ่งทั้งหลายก็คือร่างกายกับจิตใจนี่แหละรูปกรรนามนี่แหละ มันมีเหตุทีนี้พอตอนที่2ท่านบอกว่าเมื่อจะให้เหตุคือทุกอันนี้ดับไปต้องรู้ส่วนประกอบของมันรู้ปัจจัยปัจจัยที่ทําให้ให้มันเหตุเกิดทุกข์แล้วให้มันดับไปได้อย่างไรได้รู้ปัจจัยทั้งหลายได้รู้ปัจจัยคือสิ่งที่จะต้องให้ หาเหตุที่จะให้ดับดับเหตุเกิดทุกข์เนี่ยเข้าไปรู้ตรงนี้แล้วว่ารู้ปัจจัยนะทั้งหลายที่จะทําให้เหตุของทุกข์นี้ดับไปอันที่สเราเมื่อใดอนําปฏิบัติทั้งหลายผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยูนะออ่เมื่อได้มารูนะ้ได้มารู้ความจริงอันนี้แล้วก็สามารถขจัดเหตุ ขจัดเหตุของทุกได้หรือมารและเสนามานนะจิตเขาเขาจะจะตั้งสงบนิ่งได้ท่านเปรียบเสมือนว่าเหมือนเมฆที่มันบดบังแสงพระาทิ่ยแล้วมันผ่านลอยไปแสงที่ก็โปรมาเหมือนเดิมก็หายสงสัยเพียงแต่ว่าเหตุของมันก็ที่ทำให้มืด ก็เพราะว่ามีเมฆเมฆหมอกบดบังแสงพระอาทิตย์เมื่อเมฆหมอบดบังไปแสงพอาทิตย์ปรากฏนะลักษณะตรงนี้ซึ่งได้กล่าวในวันก่อนลักษณะของการรู้ลูกรู้นามคือรู้เหตุรู้เหตุของทุกข์รู้ลูกรู้นามแล้วพอมารู้รูปรู้นามอารมณ์ขั้นต่อมาก็มารู้สมมติปรามัตดคือรู้เหตุรู้ปัจจัยที่จะทําให้เหตุนั้นดับไปอ่ แล้วก็มารู้ปรมัทิตย์ขั้นสูงรู้การเกิดดับ ก, ก็คือการมาเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้มันดับไปหายไปได้นั้นก็คือตัวสมุทัยนั่นเองที่ให้เกิดทุกข์เราก็มาทำอยู่แค่นี้จริงๆเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจในส่วนที่ทั้งสภาวะที่เป็นปรมัทิตย์และสมมติเราก็รู้สึกคิดเอาสับสน ดังนั้นในวิธีการของพรเทีนที่มันง่ายคือท่านเอาตัวปัจจุบันไปตัวเริ่มต้นไม่ต้องไปคิดสาวเหตุหาผลอะไรมากมายอะไรมันเริ่มต้นณนะปัจจุบันให้ศึกษาจากจุดนั้นเพียงแต่ว่าแต่ละขณะเนี่ยต้องสร้างตัวรู้สร้างตัวสติเนี่ยขึ้นมาให้เข้มแข็งเพื่อให้รู้ทันเหตุปัจจุบันเพราะเหตุปัจจุบันคือเหตุของทุกข์ที่เกิดตลอดเวลาเกิดทางกายทําให้เราต้อง เปลี่ยนแปลงดลิ้นรนตลอดเวลาชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าขยับกี่ครั้งพลิกกี่ครั้งรู้อย่างนั้นแหละแต่การที่จะเข้าไปขจัดเหตุของทุกตรงนี้ได้เนี่ยก็คือเอาตัวมานั่นแหละเมื่อก่อนเราเข้าไปบําบัดเหตุของทุกเหล่านี้ด้วยความไม่รู้พลิกไปเปลี่ยนไปแก้ไข บ, บําบัดไปด้วยอํานาจของสัญชตาตญาณไปเรื่อยเรื่อย ยิ่งบำบัดทุกข์ด้วยอำนาจสัญชตาตญาณเท่าใดมันก็พ่อปูนความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นอนุกรมเป็นทศนิยมไม่รู้จบไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปจบได้ตรงไหนนะหาเบื้องต้นนาที่สุดไม่เจอว่าไอาการบำบัดทุกข์แบบนี้มันจะไปจบนาที่ใดเนี่ยหาไม่เจอเมื่อไปอย่างนั้นจะทำยังไงนะก็ต้องมาหา ผู้ที่เป็นต้นเหตุว่าเพราะเหตุยแล้วจะต้องดินน้นรนให้ทุกมันขบเขี้ยวให้ทุกมันขบกัดอยู่ตลอดเวลาโดยที่หาสาเหตุไม่ได้หาไปหามาพรุทธเจ้าก็ได้อุทานชุดต่อมาอีกที่ใช้คาว่าอนิกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิปิสังเมื่อใดเราไม่พบสติไม่พบสัมปชัญญะไม่พบปัญญาเมื่อนั้นจิตของเราเนี่ยถูก เหตุของทุกเนี่ยได้บังคับให้ต้องดินน้นรนต้องเป็นทุกขอยู่นับไม่ถ้วนอนเอกอนกอเนกชายเป็นอนเนกอนันตรชาติบัดนี้เรารู้จักแล้วสมุไทยที่ทำใ ห, เห้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรดูก่อนตัณหาผู้สร้างเหตุของทุกข์คือตัณหานั่นเองนะัคือความอยาก เนี่ยนมื่อความอยากตัวนี้มัถูกค้นพบแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขมันอย่างไรที่จะให้มันตรงเหตุสมมุติว่าเรานั่งไปสัก5้านาทีสินาทีเรารู้สึกปวดซึ่งเราไม่ชอบเพราะว่าภาวะปวดเป็นภาวะที่ขัดแยง้งทำให้เราอึดอัดไม่สบายเราก็ต้องการอยากที่จะเปลี่ยนซึ่งมันเป็น นิสัยเป็นความเคยชินของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลาไม่สบายก็ต้องเปลี่ยนไม่สบายต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนทุกครั้งที่เราไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าทําไมจึงเปลี่ยนนี่แหละตรงนี้เป็นตัวมันทบมันเพิ่มตัวอวิชามุหะจนถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดการสิ้นสุดของการเกิดในนี้ได้เกิดเป็นอเนอกอ น, นันตรชาติเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตาอีกอยุอย่างนั้น นึกว่อพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายจิธาได้ค้นพบสิ่งนี้ว่า อ, อ๋อบัดนี้เรารู้จากเจ้าเสร็จแล้วดูก่อนตั้หาผู้สั้งพบคือความอยากตอนแรกอยากก็คือเราอยากที่จะเปลี่ยนเมื่อไม่นั่งท่า น, นี้ไม่สบายแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไปท่าใหม่พอเราไม่พบเหตุเข้ามาเราเปลี่ยนไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเปลี่ยนก็รู้ไม่สบายต้องเปลี่ยนแต่พอได้พบอ๋อก่อนที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยรูปมันเปลี่ยนเองไม่ได้มันจะต้องมีผู้เปลี่ยน คือนามแล้วนามตัวนี้มันเป็นใครนามนามตัวนี้มันเป็นใครก็รได้สืบเข้าไปว่ามันท่านนี้มันวิกีตเราขยับไปโดยไม่รู้ทีนี้ลองลองให้มันเกิดใหม่อีกให้มันปวดไปสุดๆแล้วมันอยากจะเปลี่ยนนะเลยเข้าไปดูความอยากจะเปลี่ยนด้วยนั่นอีกทีห น, นึ่งนี่นี่ได้เห็นต้นเหตุ ทางกายว่าตัวทุกทางกายมันบีบคั้นใจผู้ซึ่งเป็นผู้รับรู้เนี่ยมันทนไม่ได้ก็ต้องการจะเปลี่ยนเมื่อต้องการจะเปลี่ยนแล้วถ้าหากเราไม่รู้เปลี่ยนนี่เาเรียกว่าเป็นตัณหาคือความอยากความต้องการที่จะเปลี่ยนตามไม่ดันในววันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเกิดหรือเจ้าชายสทธัท่านเกิดตัวยานทัศนะตัวนี้ขึ้นมาได้เห็นอ๋อ ก่อนที่จะขยับเปลี่ยนเนี่ยมันมีตัวขับอยู่ข้างในตัวขับตัวนี้คืออะไรรู้เข้าไปอีกนะกําหนดรู้เข้าไปอีกมันเริ่มทุกข์มันบีบบังคับเมื่อก่อนทุกข์มันเป็นเราเราเป็นทุกข์แต่พอถ้ามาแยกเห็นตรนี้อ๋อทุกข์มันไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ทุกข์แต่ทุกข์ตัวนี้เกิดขึ้น เ, นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางกายนะเลือดลมธาตุสีดินน้ำลมไฟเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะต้องอไปสู่การแตกดับการแตกดับก็ไปสู่ความเจ็บความป่วยความชราพยาธินั่นคือความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมาเมื่อความเจ็บป่วยก็ต้องการบำบัดเมื่อบำบัดบาบัดด้วยความไม่รู้ก็กลายเป็นความอยากทีนี้นอ้าวถ้าบำบัดด้วยความรู้ล่ะมันก็เลยกลายเป็นอีสภาวะหนึ่งที่เรียกเป็นปัญญาขึ้นมา เนีสามารถแปลงตัณหาให้เป็นปัญญาขึ้นมาจึงสามารถเข้าไปจัดการได้ตัวนี้เขาเลยเข้าไปปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะไปปดล็อกอ๋เห็นแล้วตรงเนี้ยโดยที่ไม่เกิดทุกข์บัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรื่องให้เราลืมตัวอิ่ไม่ได้ต่อไปนะคือได้เห็นอวิชชาที่มันเกิด ยอดเรือนก็ดีคงเรือนได้เห็นตันหาอุปท า, านเป็นยอดเรือนเป็นคงเรือนอยอดเรือนแล้วก็ลื้อเสร็จแล้วลื้อเอาตัวไม่รู้ออกไปเป็นยอดเรือนคงเรือนคือวิชาตันหาอุปท า, านที่เป็นสันของมันเขาลิชโพนกระดูกงูของสันต์ัวนี้ลื้อออกให้หมดเลยนะ จิตของเราได้ถึงสภาวะที่ตัวอยากตัวเนี้ยมามาควบคุมให้เราเปลี่ยนไม่ได้อีกต่อไปตรงนี้ท่านได้พบวาระตอนที่สองตอนแรกได้พบเหตุแล้วได้ติดตามดูเรื่อยๆเกี่ยวกับซักซ้อมเฝ้าดูเหตุของทุกทางกายการดับทุกทางกายเมื่อดูแลจัดการเมื่อดีเหตุของทุกทางกายไปทาให้เกิดเหตุทุกทางจิตติดตามเข้าไปดู จิตที่ตอบสนองต่อความทุกข์ตัวนั้นด้วยความไม่รู้ก่อให้เกิดตัญหาแต่พอมีตัวรู้ขึ้นมาเข้าไปดูอ๋อการตอบสนองตัวนี้ก็เลยจิตเลยเกิดการการแยกให้เห็นแยกรูปแยกนามเห็นการเกิดการดับของตัวเนี้ตัวอยากนี่แหละพอรู้ปั๊บมันดับพอไม่รู้ปั๊บมันเกิดอ๋อ คือดับเกิดดับในเห็นการเกิดดับของจิตแต่ร่างกายนั้นมันก็เกิดดับขอระมันตลอดเวลาซึ่งมันเป็นธรรมชาติของรูปที่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่จะทำอย่างไรไอ้ธรรมชาติของรูปที่จะเป็นไปตามอันจังทุกขังนาตาไม่ให้มันมีผลมาบีบคั้นทางจิตโดยการรู้เท่าทันเสียตนลำบากลำพังแต่ความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงอนิจังทุกขงังทางกายนั้น บำบัดได้ง่ายๆแต่ถ้าบำบัดด้วยความไม่รู้มันเกิดเป็นอวิชชาสวะขึ้นมาก็ให้เกิดเป็นสัญชาติญาณขึ้นมาพอไปบำบัดด้วยความรู้มันกลับมาเป็นตัวตัดต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดทางจิตตรงนี้เรื่องเห็นการเกิดดับท่านบอกว่าการเห็นอริยสัจนั้นปรากฏขึ้นเส ม, มือนว่าการเปิดสวิตไฟทันทีที่ สวิตไฟปรากฏตาก็เห็นทันทีตาก็เห็นรูปในขณะแห่งความสว่างเกิดขึ้นความดับก็หายไปการสว่างเกิดขึ้นความดับหายไปความทุกข์หายไปความรู้จักทุกข์เกิดขึ้นเห็นการเกิดดับอะไรเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นอะไรดับความมืดดับไปความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ดับไปเห็นการเกิดดับนี่เป็นปรามัตดขึ้นมา แล้วท่าก็ติดตามเฝ้าดูอยู่ในโดยหลายๆรอบหลายๆครั้งทนไปทนมาทนไปทนมาเพราะว่ามันเห็นได้ยากนะลักษณะที่ท่านใช้เวลาประมาณเดือนเศษท่านมาทบทข์ทูลขบวนการไม่เลือกี่กวันในช่วงเสือวิมุติสุขท่านก็ถือโอกาสได้ทบกทวนสิ่งเหล่านี้ออกมาจนกระทั่งเห็นเส้นทางของการเกิดการ เกิดแก่เจ็บตายของสัมพสสัตทั้งหลายเพราะนั้นในจุตูปปัตยานตามตำราท่า น, นบอกได้เห็นการจุติและการอุบัติของสัมพสัตทั้งหลายเมื่อมาเห็นตัวอย่างหนึ่งแล้วเห็นทั้งหมดเพราะมันคงสร้างกันเดียวกันท่า4ี่กเมื่อมาเห็นของตัวเองก็เห็นของสัมพัสัตทั้งหมดนี่คือคือตัวอย่างการศรกษาดูที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเพราะมันโครงสร้างกันเดียวกัน รูปนามาเดียวกัน้าสี่ขันธ้าเดียวกันเมื่อเห็นของท่านทั้งหมดก็เห็นเมื่อเห็นของท่านได้ชัดเจนก็เห็นผู้อื่นได้ชัดเจนตรงนี้ท่านก็เลยหายสงสัยหายสงสัยก็ประกาศเลยประกาศว่าชาติสิ้นแล้วภูมิจันทร์อยู่จบแล้วชาติอื่นไม่มีอีกแล้วเพราะได้เห็นที่เกิดที่ดับของชาติเนี่ยตรงนี้ก็ได้เกิดเป็นต้นตอแห่งความรู้เช่นนี้ขึ้นมา แล้วก็พุทธสาวุทั้งหลายก็ได้มาศึกษาร่องรอยอันนี้ต่อจากพระองค์ก็เป็นเหมือนกันเพราะเป็นโครงสร้างเหมือนกันตราใดที่ยังมีมนุษย์ยังมีธรรมะให้ศึกษามันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้มันไม่ได้จํากัดว่ากี่ร้อยกี่พันปีตราใดที่มีมนุษย์รู้เรื่องนี้อยู่การที่จะรู้แบบพระองค์รู้เนี่ยก็ยังมีอยู่ทีนี้พอเรามาปฏิบัติเป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นแบบเดียวกัน แต่จะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคนจะเป็นเร็วเป็นช้าขึ้นอยู่สติปัญญาแต่ละคนดังนั้นเื้่มต้นที่สุดเนี่ยเวลาเราศึกษาในเรื่องพุทธธรรมในจุดนี้ต้องเริ่มต้นรู้ใหม่เสมอนะไอ้ที่แล้วแล้วไปไอ้ตัวที่เราเริ่มต้นรู้ใหม่เสมอเนี่ยมันกลับเป็นความเป็นทักษะเหมือนกับเรา ทําโจทย์เลขข้อนึงเนี่ยมันยากมากแต่พอมีครูมาแนะเราก็เริ่มทําได้แต่พอไม่นานเดี๋ยวมันก็ลืมอีกพอเพราะมันเนื่องจากมันซับซ้อนฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือทํามันเรื่อยๆในเลขข้อเดียว่ทํามันสิบครั้งยี่สิครั้งจนกระทั่งหลับตาทําได้เลยมันก็จะปรากฏเป็นของง่ายนะ ฉันใดก็ดีกลไกทางจิตก็ดีถึงแม้ว่ามันจะสลับซับซ้อนแต่คอยเฝ้าดูมันทุกๆวันทุกเวลาเฝ้าดูการเกิดการดับความเป็นไปของมันทุกเวลาซ้าไปซ้ามาอยูนน่นั้นดังนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจึงให้ให้ศึกษาด้วยการเฝ้าดูเราไม่ได้เน้นความสงบหรือไม่สงบเน้นให้รู้จักขบวนการการเกิดของทุกทางกายขบวนการเกริดของทุกของจิตเราเห็น ความสัมพันธ์ทุกทางกายทุงจิตมีความสําคัญกันแบบใดแล้วเข้าไปดูหาเส้นกลางที่มันจะไหลาหาการที่มันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันแบบไหนแล้วเข้าไปหาเส้นแบ่งมันให้ได้นะหาเส้นแบ่งให้ได้เมื่อหาเส้นแบ่งได้แล้วก็เรารู้จากลูก ร, รู้จักน้ำ แยกรูปแยกน้ำํำอ๋อนี้ความปวดของกายไม่ใช่ความปวดของจิตอ๋อนี่ความทุกข์ของกายไม่ใช่ความทุกข์ของจิตอ๋อนี่ความไม่สบายของรูปไม่ใช่ความไม่สบายของน้ําเห็นตรงนี้ชัดเจนเข้าความสับสนก็ไม่มีแล้วทีเนี้เพราะเรื่องกายก็บําบัดไปมันไม่สบายกายก็เรื่องบําบัดไปทางกายเหตุของความไม่สบายกายมีอะไรบ่าก็เรียนรู้ศึกษาไปทุกอย่างแล้วระวังที่เหตุ และรู้ว่าถ้าหากเราทำเหตุไม่ถูกและรับความเดือดร้อนเราก็รู้ด้วยว่าไอ้ความเดือดร้อนที่เราสวยหนะน้าขนาดนี้เป็นผลมาจากอะไร<ม>เช่นบางคนวันนี้รู้สึกว่าท้องไม่ดีหนาวๆร้อนๆ <c oughs> ก็เริ่มเอ๊ะร่างกายมันไม่สบายเพราะอะไรเพราะกลางวันกินอาหารเผ็ดไปหน่อยอ่ะมีทานร้อนไปหน่อย พราะกลงวันกินอาหารชนิดนั้นเยอะไปหน่อยก็รู้เหตุได้เรียนรู้เอาไว้พอวันต่อไปก็เริ่มระมัดระวังหรือในครั้งคราวต่อไปก็เริ่มรู้ระมัดระวังว่าธาตุของเราเองนะั้นรับไม่ได้กับสิ่งนี้คือรับสิ่งนี้ไม่ได้มากเราก็จะรู้ประมาณขาบวนการศึกษาก็เริ่มขึ้นนะขบวนการศึกษาเพราะฉนั้นอันดับแรกท่านให้เสวาว์อินทรียสังวร น, นะ อีสี่สังวรให้ระวังตามหูจำจมูกลิ้นกายใจสังวรอะไรสังวรระวังในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สังวรอะไรระวังอะไรระวังว่าสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางกายมีอยู่สี่อย่างที่ได้กล่าวไปวันก่อ น, อนคือกา ร, ก, ารกระทําเรียกว่ากรรมการกระทําทางกายเรียกว่ากรรมการกระทําทางใจเรียกว่าจิตกรรมจิต และสิ่งที่นอกเหนือการที่เราจะไปกระทำคือสิ่งแวดล้อมเรียกว่าอากาศและสิ่งที่เราจะต้องหล่อเลี้ยงร่างกายได้ให้อยู่ได้เรียกว่าอาหารสี่อย่างเนี่ยเป็นสาเหตุของทุกและไม่ทุกทางกายกรรมจิตอุตุอาหารจึงเป็นรหัสขึ้นมา4่ตัวนี้ว่าเมื่อใดร่างกายสบายหรือไม่สบายขึ้นอยู่กับเหตุปจตัจจัยสี่ตัวนี้กรรมจิตอุตุอาหารกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่ เราก็จะมาสรัรวมระวังเรื่องกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเร า, าเรียกว่าอินทรีย์สังวรกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้และในขณะเดียวกันถ้าจะให้เข้าไปรู้สาเหตุของทุกทางจิตด้วยท่านให้สังวรอีกอย่างตามคำสอนนเรื่อยปาฏิโมกสังวร ให้สํารวมระวังสิ่งที่พระองค์สอนว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ท่านจะสอนบอกว่าเออเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์ทางจิตคืออวิชชาดันหาอุปทานกรรมเหตุของทุกข์ทางกายคือกรรมจิตอุตัวอาหารก็มันต้องระวังทั้งสองอย่างจะรักษาร่างกายให้มันมีทุกข์น้อยระวังสังวรทางกายด้วยการอีสีสังวรจะทําให้ความทุกข์ทางจิตมันลดลงหรือหายไปต้อง ศึกษาคำสอนคือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าปาฏิโมคสังวรนะและในขณะเดียวกันก็จะต้องรู้จักใช้ชีวิตแต่ด้วยความเหมาะสมพอดีอดคือทางสายกลางรู้จักใช้กายรู้จักใช้ใจนี่แต่เพียงพอดีนะแต่เพียงพอดีพอดีในอะไรพอดีในปัจจัยสี่ ปัจจะเสนิสิตศีนเนี่ยพอดีในปั จ, จัจสี่ให้ระบุไว้ตรงนั้นและไอความพอดีนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจู่ๆเราจะพอดีขึ้นไม่ได้ต้องมีอันสุดท้ายคือปารบความเพียรให้เพียรศึกษาเพราะเนื่องจากชีวิตเป็นสีละเอียดอ่อนท่านใช้คำว่าชาคะอริยานุโยนี่ใช้ข้ใช้แค่แค่สีข้อทีนั้นศีสีข้อ ไม่ต้องถึง227อ่ไม่ต้องถึง5ข้อโดยสัไปใช้สินสีข้อแต่ว่าเป็นข้อที่บรรจุเอาไว้ดึงรายละเอียดสูงข้อแรกคือระหว่างสังวร อ, อีซีตางหูจมุกเลืองการใจเพื่อปกป้องแก้ไขบำบัดความไม่สบายทางกายอันที่สองมาศึกษา อาิโมคะสังวรคือศีลสัสมปัญยาเพื่อปกป้องความทุกข์อันจะเกิดแก่ใจอันที่สามรักษากายรักษาใจด้วยเป็นทางสายกลางไม่สุดโต่งทางใดทางหนึง่งให้พอดีในปัจจัยสี่อันที่สี่ปาราบความเพียรอยู่เป็นชีวิตจิตใจชาคาริยานุโยคศีล ส, สีข้อแค่นี้แหละเมื่อเป็นเชน่นนี้เราก็มาเพียรทากัน ทำตัวสุดท้ายนี่ทำปลารความเพียรเราจะสังเกตได้ว่าพุทธธรรมตัวไหนเป็นตัวสําคัญที่จะเรียงไว้สุดท้ายเสมออย่างศีลสมาธิปัญญาตัวสมัมพันเรี้ยงปัญญาไว้สุดท้ายหรือโหที่ปะเคียธรรม7ประการตัวสําคัญตัวสุดท้ายคืออุเปเเกขาสัมโพจน์อะไรก็ตามที่ยังตัวภูมิฐารสี่ก็เหมือนกันถ้านก็เรียงอุเปเเกขาไว้สุดท้าย อธิบายสี่ก็เช่นเดียวกันก็เรียงตัววิมังสาไว้สุดท้ายเป็นตัวปัญญาส่วนใหญ่ตัวที่เลี้ยงไว้สุดท้ายเป็นตัวปัญญาเป็นในวร่วมของปัญญาทั้งนั้นเป็นตัวควบคุมทั้งหมดอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวความเพียรชาคัานยโยท่านเลียงไว้สุดท้ายในศินข้อสีเนี่ยให้ปารุกความเพียรตัวนี้เองมันจึงกลายเป็นขบวนการที่เราต้องมานั่งทําความเพียรปฏิบัติกันและปารุกความเพียร น, นี้ต้องเป็นความเพียรที่ <S <S ถูกต้องด้วยนะ ไม่ใชความเพียรที่สัตวธรรมไปให้ให้ทําไปเรื่อยๆความเพียรที่ถูกต้องคือเพียรอย่างไรเคยพูดมาบ่อยว่าเพียรในสีสถานคือเพียรระวังนะเพียรระวังอะไรที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางกายระวังการกระทําของตัวเองระวังความคิดของตัวเองระวังสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศต้องรู้จักปกปัก ร, รักษาดูแลตัวเองแล้วก็ ระวังอาหารที่เราบริโภคอันไหนที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และปัญหาต่อกายเนี่ยสํารณ์ระวังในส่วนจิตก็ระวังอ่าระวังโดยเหมือนกันระวังอะไรระวังความไม่รู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าอวิชชาระวังความอยากที่มันเกิดขึ้นแล้วจะบริหารมันอย่างไรเรียกว่าตัณหาถ้าถ้ามันเผย อ, อยากแล้วปล่อยให้มันทิ้ง ไวนานมันก็จะยึดในสิ่งที่เราอยากเรียกว่าระวังอุปาทานเมื่อมันถึงขั้นอุปาทานแล้วยังตามแก้ไม่ตกตามแก้ไม่ทนันมันก็จะกลายเป็นกรรมที่เราบีบคั้นให้เราต้องตอบสนองมันนี่ระวังในสสถานเนี่ยสถานที่หนึ่งเนี่ยระวังอะไรระวังในเหตุของทุกสี่อย่างเหตุของทุกทางกายสีอย่างเหตุของทุกทางจิตก็สีอย่างมีตัวร่วมคือกรรม อันแรกกรรมจิตอุตตุอาหารเรียงไว้อันแรกคือเหตุของทุกข์ทางกายอันที่สอง mm. อเหตุของทุกข์ทางจิตพิชชาดัญหาวรรธนกรรมเหมือนกันกรรมเป็นตัวร่วมเราก็มาบริหารกรรมการกระทําของเราเองกายกรรมวิชีกรรมมนุกรรมให้เหมาะสมอยู่เสมอและการที่จะบริหารกรรมเหล่านี้ให้เหมาะสมให้พอดีพอเหมาะต้องมีความเพียรอยู่เสมอเพียรเพราะทำไมจึงเพียรเพราะ มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเพียนในการที่จะปรับตลอดเวลาเหมือนกันเปลี่ยนด้วยกฎของอะไรด้วยกฎของไตรลักษ์ไม่ว่าทางกายก็ดีไม่ว่าทางจิตก็มันก็เปลี่ยนแปลงตามกฎของตรลักถ้าเปลี่ยนแปลงทางกายก็เรียกอนิจังทุขงังกนตตาถ้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตก็เรียกว่าไตร เรียกว่าการเกิดดับจุติและอุบัติแต่ละเวลาเนี่ยเราก็ต้องมารูสองอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นความเพียร น, นั้นที่หนึ่งเดียว เ, เพียรระวังในสิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควรสิ่งที่เป็นความไม่ฉลาดความเดือดร้อนเนี่ยระวังไม่ให้มันเกิดระวังบาปและอกุศลสองเนื่องจากว่า ส, สติสมญาที่เราประพฤติปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ คะ น, นั้นในการที่จะระวังแล้วไม่ให้มันเกิดร้อเปอร์ซ็นเป็นไปไม่ได้ระวังแล้วก็ยังเกิดอยู่ดีเนื่องจากความเต็มรอบของสติปัญญาของเราไม่สมบูรณ์เมื่อมันเผลอเกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งก็ต้องใช้เพี้ยนข้อที่สองคือเพี้ยนแก้ไขเพี้ยนตัดมันเผลอเกิดก็ตัดสลัดสิ่ ง, งนั้นออกไปมันเผลอคิดก็สลัดความคิดนั้นทิ้งไปมันเผลอพูดก็สลัดการพูดนนั้ทิ้งไปนี่ เพียรทาอย่างนั้นบ่อยๆเพียรตัดเพียรประหารเพียรฆ่าเพียรกําจัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นและมันเผลอไปเพียรทําอยู่บ่อยๆนี่เขาเรียกว่าเพียรในสถานที่สองเพียรกำจัดตัดแต่งแก้ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกไปความคิดปรุงแต่งมันเกินจําเป็นไม่จําเป็นต้องเพียรตัดออกไปการกระทําบางอย่างมันไม่จําเป็นไม่เหมาะกับกาลเทศะเพียรตัดออกไป นี่ต้องใช้สติปัญญาแล้ว น, นีในสถานที่สองไม่เพี่ยนตัดเพียนแกน้แล้วก็มันก็ยังไม่สิ้นสุดต้องมาใช้เพียนสถานที่สคือเพิ่มพูนสติปัญญาให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยการใช้ภาวน า, นาภาวนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาเพื่อที่จะให้รอบความรอบความาสมบูรณ์ของสติปัญญาเพิ่มขึ้น เพื่อกัรระมัดระวังในสถานที่หนึ่งมันได้ผลคือเพิ่มผูนสติปัญญายมีกำลังมากขึ้นเปลี่ยนเพียงสถานที่สามและเปลี่ยนในสถานที่สี่เมื่อสติปัญญายมันเพิ่มขึ้นอย่างไรให้พยายามรักษาดูแลเอาไว้อย่าให้มันตกไปต่ำไปมากกว่านั้นแต่ถ้ามันตกต่ำไปกเกินเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องเพิ่มผูนให้รักษาระดับไว้เสมอ ถ้ามันเป็นอนัตโนมัตนินี่คือเพียรลักษณะเพียรระวังในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเผลอที่เกิดขึ้นแล้วต้องเพียรตัดเพียรแก้เพียร ก, กาจัดและเพิ่มพูนกำลังของสติปัญญาให้ทำงานได้ดีและเมื่อเพิ่มพูนได้ระดับแล้วรักษาระดับนั้นไว้ให้แน่นอนเขาเรียกวาอนุรักษนานอันที่หนึ่งคือสังวรอันที่สองคือปาน อันที่สคือภาวนาอันที่4คืออนุรักษ์อนุรักษ์ตามรักษากําลังนั้นไว้นี่คือเพียรใน4สถานแต่ถ้าเราไม่คํานึงถึงทั้ง4ประการนี้เราจะทําความเพียรเอาเป็นเอาตายขนาดไหนก็ม่มีผลเท่าที่ควรแต่ถ้าเราเข้าใจเพียรใน4สถานนี้เราก็สามารถเพียรได้ทุกรูปแบบเพียรได้ตลอดตั้ง ต, ตื่นนอนทั้งนี้ เราจะหนักว่าเราไม่ต้องการที่จะให้กายนี่เป็นทุกข์ไม่ต้องการให้จิตนี่เป็นทุกข์ต้องการให้อยู่ได้อย่างไม่ไม่ทุกข์นี่เป็นสิ่งพึงปรารถนาของสัมพัสสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ามันก็จะต้องมีขบวนการการกระทาไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการหรือต้องคิดและขบวนการอันนี้นคือขบนการของมารมี อ, องค์แปดนะครับ Unted, นการเจริญสติแบบนี้มันจึงเห็นเส้นทางที่ชัดเจนเห็นเส้นทางของอารมณ์เห็นเส้นทางของทุกข์ที่ไปที่มาของทุกข์ที่ชัดเจนนะแต่ว่าของคนไหนจะชัดมากชัดน้อยละเอียดมากละเอียดน้อยขึ้นอยู่กับการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตตามดูตามรู้ตามเห็นตามศึกษาไปเรื่อยเรื่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแปลผันเป็นอย่างไรรู้ไปเรื่อยๆ บางอย่างรู้ไม่ทันก็ทิ้งไปตั้งต้นรู้ใหม่มันเผลอตั้งต้นรู้ใหม่มันเผลอตั้งต้นรู้ใหม่อย่างนี้เรื่อยไปในที่สุดพอรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดทักษะเกิดสกิลขึ้นมาก็ทําให้ตัวชํานิชํานาญขึ้นเมื่อชํานิชํานานมากขึ้นก็กลายเป็นอัตโนมัติเหมือนเราขับรถใหม่ๆหเนี่ยเกี้ยๆกำๆจับถูกจับผิด พอขับไปทุกวันทุกวันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งเดือน2เดือนผ่านไป1ปี2ปีผ่านไป5ปี10ปีพอขึ้นนั่งปับ๊บรถทั้งคันเหมันก็เหมือนตัวเรานั่นเองเราขึ้นไหว ย, ยังไงรถก็ขึ้นไหวยอย่างนั้นถึงเมื่อก่อนเรากับรถเป็นคนละคนคนละอันแต่พอเมื่อเกิดความชินชื่อนั้ น, นเราก็บรถเป็นสิ่งเดียวกันเราจะไปซ้ายมันก็ซ้ายเราจะไปขวามันก็ขวาเราจะไปข้างหน้ามันก็ข้างหน้าเราจะถอยหลังมันก็ถอย ตีนมือไม้อะไรมันไปของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปสั่งเลยฉันใดก็ดีกายนี้เหมือนรถใจนี้เหมือนคนขับรถทํางานร่วมกันแต่ละเวลาที่ปัญหาของรถมันก็อีกแบบหนึ่งปัญหาของรถคือปัญหาของรูปอย่างได้กล่าวแล้วกรรมจิตตัวอาหาตัวอาหารกรรมปัญหาของคนขับก็อีกแบบหนึ่งก็คือวิชาตันหาประทาน เมื่อต่างคนต่างรู้ปัญหากันก็ดูแลรักษาซึ่งกันและกันโดยการเสริมหาความรู้ตัวนี้ให้ให้ขึ้นมาเป็นประธานนะให้ขึ้นมาเป็นประธานของจิตนะจิตเป็นนายนะขึ้นมาเป็นประธานจิตเป็นนายกายเป็ น, นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นขุนพายที่อุวงปเทียนท่านเอามากล่าวหรือที่ท่านใช้คาว่าจิต สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีจิตเนี่ยเป็นนายมีจิตถึงก่อนสาเร็จได้ด้วยจิตสำเร็จแล้ว ด, ด้วดยใจนะเราจะทำอะไรก็ใจเป็นผู้ทำทำไปทางดีก็มีผลออกมาเป็นสุขไปทำอะไรทางไม่ดีมีผลออกมาเป็นทุกข์อย่างนี้ท่านท่า น, านตรัสเอาไว้โดยทั่วไปนั้นนะเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่สามารถตรองตามเห็นได้ด้วยสติปัญญา ด้วยเรีวยกว่าอนุสาสนีปฏิหารคือได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจไปตามลาดับที่ท่านสอนเราก็สามารถทำตามได้ถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นนามธรรมก็ตามแต่เราได้สร้างตัวรู้ขึ้นมาเป็นดวงตาแล้วทำมาจากสุแล้วก็มองเห็นอมองเห็นกายชัดก่อนต่อไปมันก็มองเห็นใจนา ลำพังแต่กายไม่มีใจก็ไม่มีความหมายเหมือนมือรถไม่มีคนขับก็ไม่มีความหมายลำพังแต่คนขับไม่มีรถก็เดินทางลำบากต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะดังนั้นเองขบวนการการศึกษามต้องใช้สติปัญญาอย่างสูงยิ่งตามลําดับไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมีศรัทธาไม่ใช่เรื่องของคนไม่มีศรัทธาเป็นเรื่องของคนมีความเพียรคนไม่มีคนเพียรทําไม่ได้ เป็นเรื่องคนคนมีสติสมาธิปัญญาคนไม่มีสติสมาธิปัญญาทาไม่ได้นี่ท่านได้กล่าวไว้อย่างนั้นังนั้นเราทั้งหลายก็เลยสมัครเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนี้เราจำเป็นต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเส้นทางชีวิตคอยสารวจตรวจสอบอยู่เสมอว่าศรัทธาของเรายังมั่นคงที่จะศึกษาเรื่องนี้อยู่มากน้อยแค่ไหน และและมีศรัทธาและความเพียร น, นั้นได้เราได้ใส่ลงไปในชีวิตของเราเป็นกิจกรรมของชีวิตหรือไม่และเพียรในสสถานดังที่กล่าวแล้วไม่ใช่เพียรไปโดยไรเป้าหมายและเจตนาลงเพียรในสสถานเพียรในการสังวรระวงังเพียรในการตัดกำจัดปัญหาเพียรในการสร้างสมพลังสติปัญญาอยู่เสมอ เพียงในการรักษาระดับของสริปัญญาให้มั่นคงเอาไว้เพียงในสีสถานจะทำอย่างไรก็ได้แต่ขอให้เป็นในรูปแบบเพียงอย่างนี้มเมื่อเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราก็รู้สึกว่ามีความมั่นคงมีความหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆถ้ามันถูกต้องมีความมั่นคงมีความหนักแน่นมีความสงบเย็นมีความไม่หวั่นไหวไม่สงสัยในการกระทาเพราะมันมีเส้นทาง เหมือนเราเดินทางเรารู้จักเส้นทางชัดเจนเราก็จะกำหนดเวลาได้กำหนดความเร็วได้เพราะเราไม่ลังเลในเส้นทางซึ่งต่างกับคนที่ไม่รู้จักทางวิ่งไปสงสัยไปวิ่งไปสงสัยไปว่ามันถูกต้องหรือไม่คนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นนะไม่รู้เส้นทางดังนั้นการที่เราจะเดินทางได้สะดวกเราก็ไปถึงเป้าหมายได้ปลอดภัยต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างน้อยก็สองประการ หนึ่ง <c oughs> มีผู้รู้เส้นทางให้คำแนะนำแก่เราสองเราเข้าใจได้ถูกต้องตามที่คำแนะนำของเขาสอง mm hmm. องค์ประกอบองค์ประกอบแรอาศัยผู้อื่นคือให้คำแนะนำชี้แนะให้แผนที่ประการที่สององค์ประกอบเฉพาะตัวเราคือเราจะต้องมีความแม่นยำจดจำชัดเจนเข้าใจในตามคำที่เขาอธิบายเรียกว่าโยนิโสมณสิกาณนะอันนี้คือหลักการโดยสรุป ทั้งหมดของหลักการในวิธีศึกษาในวิธีการอันนี้ซึ่งในรายละเอียดเรื่องของรูปนามซึ่งได้กล่าวมาวันก่อนแล้วนะแต่วันนี้ที่เกิดมาทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าเราขยับการรู้รูปนามขึ้นไปสู่ตัวปรมัตุกขด้วยการยกภาสิทธิ์อันแรกถึงเกี่ยวกับเรื่องของว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะเรารู้เหตุของมันแล้วก็รู้การดับของมันด้วย และก็แก้ไขเหตุที่ไม่พึงปรารถนาออกไปได้แค่นี้เราก็จะรู้รูปนามและดูละเอียดลึกยิ่งไปกว่า น, นั้นอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในรูปอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในนามดูละเอียดเข้าไปอีกและสามารถเข้าไปกําจัดความทุกข์ของรูปและของนามได้ตามต้องการอย่างเสมอเสมอทำให้รูปนามอันนี้ทําให้รูปกายรูปใจอันนี้มีความทุกข์ลดลงอย่าง เห็นได้ชัดถึงแม้ไม่หมดแต่ได้เห็นความทุกข์ลดลงตามลําดับและให้กําจัดความทุกข์ได้ได้อย่างถูกเป้าหมายตรงนี้เราก็รู้จากสภาวะที่เป็นปรมาทัได้วยคาถาเดออเนกชาดิสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนในการรู้ประเภทนี้แล้วหลังจากนั้นเรารู้ปรมัตัยแล้วก็ไม่ยากแล้ว รูสิ่งต่อไปคือมุ่งเีจะทำอาสวะให้สิ้นเท่านั้นเองเรียกว่าอาสวะขย า, ยานส่วนจะไปหมดไปสิ้นวันไหนนั้นรู้กับไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของใครของมันแต่เรารู้แล้วล่ะว่าจะทาให้อาสวะสิ้นไปได้อย่างไรส่วนจะสิ้นเมื่อไหร่เร็วช้าแค่ไหนนี่ขึ้นอยู่กับความมีสติปัญญาของเราเห็นความสาคัญนะ แค่นี้แล้วก็พอใจละเพราะฉะนั้นตรงกับยานทั้งสมที่เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณถ้าเข้าใจแล้วทําให้เรารู้รูปนามจุตูปปารยานถ้าเราเราเข้าใจเห็นแล้วทําให้เรารู้ปรมัตดอาสาวะวญาณเมื่อเราเข้าใจปรมัดได้ถูกต้องแล้วเราสามารถกําจัดขัดเก่าตัวเองได้เรื่อยๆจนหมดอาสวะนะั้นที่สุดบางคนก็ใช้เวลานา น, านบางคนก็ใช้เวลาสัาน้า น, าน แต่ผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทธานั้นท่านมีสติปัญญาพิเศษท่านสามารถทําให้หมดไปได้ในเวลารวดเร็วเพราะเป็นสิ่งที่ท่านสั่งสมมายาวนานแต่เราในฐานะเป็นพุทธสาวกเนี่ยเราก็ทําตามลําดับตามสติปัญญาของเรานะแต่บ า, างคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าในการกาจัดอาสวาัธรรมอาสวัตฐานิยธรรมทํามันไปนที่ตั้งของอาสวะ อันนี้เราก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดจากคาสอนของพุทธองค์ก็ดีจากคาสอนของคุบาจานทร์กเรยะดาดมิตรก็ดีเข้าก็ไปศึกษาในรายละเอียดเพราะในแง่ของการกำจัดอสาุาวะเนี่ยต้องรู้ในรายละเอียดมากขึ้นว่าอะไรเป็นอสาุาวะอะไรเป็นเหตุเกิดอสวะอะไรเป็นการดับอสวะอะไรเป็นการทางให้ถึงการดับอสาุาวะต้องไปรู้รายละเอียดตรงนั้นนะเพราะฉะนั้ ในคำนี้ก็เป็นคำใหม่สําหรับคนบางคนที่ยังไม่คุ้นเป็นคําพระเรี ว, าา ว, เว่าอาสวะหรือแปลว่าเป็นสิ่งที่มีพลังอํานาจบังคับเราแปลอย่างนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่ล่วไหลออกจากใจของเราโดยเราไม่รู้เป็นอย่างนี้ก็ได้มันก็มาจากสัญชาตญาณเดิมนั่นเองที่มันกลายเป็นอาสวะดังนั้น สัญชตาตญาณบางอย่างเราเรารู้ทันบางอย่างรู้ไม่ทันขึ้นอยู่กําลังของสติปัญญาของเราแต่เราไปสังเกตตัวเราเองว่าเรามีอาสวัสตัวไหนสําหรับเราที่มันดุนแดงที่เรามันเกิดทุกครั้งเรารู้ไม่ทันมันแต่อาสวะบางตัวเราเริ่มรู้ทันไปเรื่อยๆอก็อาศัยการขัดเกลว์เกลว์บบัดขัดเกลวไปเรื่อยๆ เราจะเห็นว่าการปฏิบัติโดยวิธีการนี้ทำให้เราเห็นเส้นทางธรรมเห็นเส้นทางจิตไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนขู่เหยียดเคลื่อนไหวเมื่อเรารู้เราเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มหายสงสัยว่าทําไมเราลุยเหยียดเคลื่อนไหวทำไมต้องดิน้นต้องหลนต้องเคลื่อนไหวก็เพราะทุกมันบังคับเราอยู่นะทุก์ทางกายาเราสามารถที่จะแก้ไขบําบัดโดยง่ายแต่ทุกทางใจนี่แก้ไขบําบัดได้ยาก เพราะว่ามันไม่มีตัวตนให้ทําชัดเจนเหมือนกับรู้แต่ก็ไม่เหลือวิสยัยในเมื่อเราสร้างตัวรู้ขึ้นมาสร้างตัวธรรมะจากสุขคือตัวรู้ตัวเนี้ให้มามากขึ้นมากขึ้นด้อาศัยไปศึกษาจากเวทนาเล็กๆน้อยๆยที่เราได้สัมผัสแล้วเราเข้าไปสังเกตการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาหยาบหยาบได้เห็นขบวนการเพิ่มขึ้นจากหนึ่งถึง สูงขึ้นไปตามลําดับแราได้เห็นการลดลงของเวทนาตามลําดับเมื่อเรามีการเปลี่ยนอิเดียบทได้เห็นขบวนการอย่างนี้โดยละเอียดตัวสติปัญญาก็ดำเนินการฟอกฝนให้แหลมคมขึ้นเรื่อยๆโดยการาสังเกตเห็นกระบวนการการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาทางกายเป็นหลักเมื่อเรามีความชี้นำชัดแจ้งในส่วนที่เป็นรูปต่อไปก็ไม่ยากเนละจะไปรู้ในส่วนที่เป็นนามตามลําดับ ดังนั้นเองการขยับขยืองเคลื่อนไหวของเราแต่ละขณะนั้นมีความหมายสําหรับผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแต่สาหรับผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็ยังมีความหมายน้อยอยู่เพราะเราได้อยู่กับสัญชตาตนญาณมายาวนานเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวที่เป็นไปโดยสัญชตาตนญาณก็ยังสูงอยู่นั่นคือเรื่องอาสวะที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมหรือรู้เท่าทันได้เรียกว่าอาสวะธรรม แต่เมื่อใดเราสามารถรับรู้และรู้เท่าทันต่อการปรับเปลีนเคลื่อนไหวในการบำบัดทุกแก้ไขทุกเราสามารถเข้าไปเห็นกระบวนการทั้งหมดได้ตรงนั้นเขาเริรู้เหตุเกิดอาสวะแล้วก็สามารถดับอาสวะได้แต่ละขณะแต่ละขณะไปเมื่อเราทําตรงนี้ให้เป็นทักษะมันก็ชํานาญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม, นมันก็ง่ายขึ้นในการที่จะรู้จะเห็นมันก็เร็วขึ้นในการที่จะกําจัดขัดเกลานะ ดังนั้นเองเมื่อเราได้เห็นความสำคัญอย่างนี้เราก็จะต้องซักซ้อมทาในสิ่งนั้นบ่อยๆซึ่งเราแต่ละคนที่หลุดเข้ามาในวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันจะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ไปที่มาค่อนข้างยาวนานแต่ละเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มีความเป็นจริงก็ดีแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปเป็นอดีตแล้วก็ถือว่าหมดความจำเป็นที่จะไปรู้มัน แต่ให้รู้ว่าปัจจุบันเรามาหน้าจุดเนี้ยเราต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในร่างกายและจิตใจของเราว่ามันจะต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเราจะปล่อยให้มันหลุดลุ่ยไปตามสรรชัตยะนั้นไม่ไม่เหมาะสมนะเราจะต้องเห็นรูปเหตุของมันชัดเจนนะดังนั้นใน <c oughs> วันนี้ตั้งแต่เชา้าเราพยายาม ปรับเหตุการณ์ต่างๆให้อยู่ในความสงบเพื่อหมอะแก ก, การศึกษาปรับความวิเวกปรับความต่อเนื่องความเพียรที่ต่อเนื่องยาวนานโ <c oughs> ดยที่ไม่มีกิจกรรมอะไรเข้ามาเบรกให้สะดุกก็ตลอดทั้งวันจนถึงวันนี้ก็ประชคดีที่ฝนมาตอนยินตอนที่เราหมดเวลาก็ดีนะก็ถือว่าฝ้าฝนได้อนุโมทนาเราเรียบร้อยแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจในการจะ ต่อสู้ภากบันต่อไปนะก็ควรหมั่นทนาสาธุนนครับตั้งใจที่เราศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปจนถึงสิ้นอาสวะด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ